โลกข้างนอกวุ่นวายข้างในนิ่นงแต่อย่าพอใจในความนิ่งวงเล็บเปิด2 8ดกุมภาพันธ์หจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดเราอย่าไปประคองไว้อย่ากแกล้งทำใจให้เบาๆมันเป็นอย่างไรรู้ไปอย่างนั้นฝึกไปเรื่อยคนทั่วไปฝึกไปช่วงหนึ่งจะเห็นเลยนะโลกข้างนอกยุ่งข้างในนิ่งๆมันมีความนิ่งความสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายข้างนอกวุ่นวายข้างในนิ่นง อันนี้ก็ยังไม่ผิดอะไรแต่ถ้ายินดีพอใจในความนิ่งตัวนี้จะพลาดแล้วเพราะฉะนั้นใจของเราก็จะนิ่งสบายเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างสบายสบายไม่เป็นปัญหาอะไรดูที่ใจเราใจเราชอบตรงนี้เมื่อไหร่แล้วก็ผิดเมื่อนั้นถ้าชอบนะจะถดถอยแล้วหนีเข้ามาอยู่ข้างในภาวนาแล้วจะมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้สงบสะอาดอยู่อย่างนั้นนะสบายเงียบๆอยู่คนเดียวใจมันเป็นผู้รู้ขึ้นมามันไม่ได้หลงเข้าไปคลุกกับอารมณ์ถ้าคลุกกับอารมณ์มันก็ทุกข์ขึ้นมาพอมันไม่คลุกและสบายแบบนี้ส่วนมากพอนานไปแล้วพอใจตัวนี้จะเริ่มมีปัญหาแล้วจะติดต่อไปวันไหนหลุดจากตรงนี้นะก็จะโมะโหแล้วดังนั้นก็ไม่หนีให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้